ขอความเจริญในธรรมจะมีแด้ท่านผู้ฟังเท่าไหร่แต่หงประโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องสมากมันตะคือการงานชอบก็ได้แก่การงดเว้นจากปาญาธิบาทงดเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ซึ่งเป็นข้อแสดงระดับสีลสีขาแต่ว่าเวลาอธิบายนั้นก็ได้ขยายไปถึงกลุ่มของเรียกว่ากัลยาณธรรมคือเป็นเนตยามที่เมตตาซึ่งเป็นพัฒนาการทางจิตมาจากมดเป็นจากการทำชัดมีชีวิตได้ตายแต่ว่าศีลข้อที่สองเนี่ยก็แสดงเฉพาะในด้านอจินถาธาน ก็ไม่ได้แสดงไปจนถึงกัลยาณธรรมคือสมาชีพเพราะว่าสมาชีพในรีนมักนั้นไปอยู่ในกลุ่มของสมาชีวะซึ่งก็อยู่ในศีลสิกขาเช่นเดียวกันต้องฟังตรนี้ออกว่าในกลุ่มของศีลสิกขานั้นคือสัมมาวจาสมากระปัญญะสมาชีวะที่ถ้าเรานํามาเรียงกันแล้วนี่ก็คือศีล ที่ประการนั่นเองเพียงแต่ว่ากระจายสิงข้อที่สี่ออกไปเป็นอีกสามข้อแล้วเมื่อปฏิบัติพัฒนาไปจนถึงจุดหนึ่งสิงข้อที่หนึ่งก็ไปถึงจุดที่เรียกว่าเมตตาสิงข้อที่สองก็เข้าไปสู่สมาชีวะสิงข้อที่สามก็ไปสู่การมาสังวรคือการสมรวมระวังในกาม ในช่วงตรงนี้ท่านเรียกว่ากัลยาณธรรมคือธรรมอันงามคือหมายความว่าทําคนที่ประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้นให้เป็นคนดีงดงามตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเพียงแต่ว่าตอนเรียนเป็นอาริ ม, มาร์กนั้นได้แยกกัลยาณธรรมข้อที่สามมาไว้ในสมาชีทีนี้มนความเป็นสมาชีนั่นเอง เวลาพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้โดยพิสดารเนี่ยก็หมายความว่านำวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งปวงมาเรียบเรียงไว้ก็ปรากฏในสังยุตติกายกับอังคุตระนิยเนี่ยเป็นข้อความเหมือนกันเรียงลำดับมาโดยลดำดับเพราะว่าในการครองชีวิตในการเลี้ยชีพเนี่ย มันมีเจตนาในการแสวงหาทรัพย์แล้วก็ขั้นตอนของการแสวงหาการได้มาการถือครองการบริโภคใช้สอยปัญหาบนเส้นทางสายนี้แหละมันก็กลายเป็นอาการที่เราเรียกว่ามิจฉาชีพกับสามาชีพในความเป็นมิจฉาชีพมันก็ลดหลั่นกันขึ้นไป บางกางรเมองาวก็เป็นเป็นวิชาชีพที่รุนแรงคือหมายความมหาดีไม่ได้เลยแต่บางลำดับขั้นตอนมันก็ดีในบางระดับแต่ไม่ดีในบางระดับเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เราบิดไปมีปัญหาทางเศรษฐกิจเราก็นำไปสู่ปัญหาทางสังคมเราจะเห็นว่าปัญหาสังคมก็ดีปัญหาการเมืองก็ดี แม้ปัญหาความมั่นคงก็ดีนั้นก็สืบเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจประสาทใดที่ท้องยังหิวเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันก็นำไปสู่ปัญหาอย่างอื่นตันถ้าเรามองดูถึงว่าหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเช่นแสดงสิ่งที่เป็นหนึ่งสบเบสตาหาลติกาอะไรชื่อว่าหนึ่ง ก็สรงวิสัชนาว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารแล้วก็ปัจเจย4จึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญแม้แต่พระที่บวชเข้ามาเนี่ยก็เรื่องสอนครั้งแรกก็สอนเรื่องปัจเจ sĩ คือการแสวงหาการได้มาการบริโภคใช้สอนปัจเจย4ทุกดังดับขั้นตอนมีความโปร่งใสไม่มีลักษณะของมิจฉาชีพ ถ้าเป็นวิชาชีพก็ถือว่าเป็นอาชีววิบัติคือถ้าเราเวลาวิบัติจริงๆมันพูดแค่สี่อย่างเท่านั้นเด็กเนี่ยคือหนึ่งศีลวิบัติโดยการล่วงละเมิดบทบัญญัติของศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ทางในข้อที่ควรเว้นแล้วก็ควรประพฤติมาความมาข้อที่ทรงสัง่สงทรงบัญญัติให้เว้นถ้าไม่เว้นก็ผิด ก็ติดควรประพฤติทําให้ประพฤติก็ผิดก็ถือว่าเป็นสีวิบัติแล้วก็อาจาระวิบัติคือความประพฤติการเป็นบาตรตนกันวางตนการเคลื่อนไหวเรียบทต่างๆมันกาละเทศะกลุ่มคนบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีส่วนกําหนดว่าสมบัติหรือวิบัติ เพราะปกติแล้วมนุษย์มันจะใช้สามารถรรียบทเนี่ยอย่างไงก็ได้ถ้าอยู่ลำพังตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบาปเรื่องกรรมอะไรแต่ว่าเมื่อใช้เรียบทบางอย่างในสถานที่บางแห่งในกลุ่มคนบางกลุ่มก็ถือว่าเป็นการไม่เหมาะไมแก่สมณ ะ, ะถือว่าเป็นอาจจะเลวิบัติคือความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ในเรื่องเหล่านี้ที่จริงถ้าเรามองดูให้ดีก็ครอบคุมความประพฤติหรือมัญญากริยาบัญญาของบุคคลที่แสดงตนต่อสาธารณะชนว่าในที่หนึ่งทำได้ในที่หนึ่งทำไม่ได้ในที่หนึ่งพูดได้ในที่หนึ่งพูดไม่ได้ถึงควาหมายความว่าถ้าทําไปก็ถือว่าเสียบัญญารือเสียกริยาหรือเสียความเป็นผู้ ด, ดีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นทิฏฐิบิบัติ คือความความเห็นมันวิปลาดคลาดเคลื่อนไปจากหลักคําสอนในทางพะพุทธศาสนาในชั้นต่างๆแล้วก็อาชีววิบัติหรือการแสวงหาการได้มาการครอบครองการพวกใช้สอยปัจจัยสี่เนี่ยมันมีปัญหาในช่วงในช่วงหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นอาชีววิบัติแล้วถ้าเรามองสาวลึกลงไปก็จะเห็นว่ามันเป็นอาการของจิตที่มีโมหะกหรือมีโลภะ ถ้ามหะมากโลภะมากมันก็ผิดมากโมหะน้อยโลภะน้อยมันก็ผิดน้อยลงไปแต่ว่าาใจที่กิเลสยังไม่หมดเนี่ยการเลี่ยชีพจะให้บริสุทธิ์นี่ทจริงขับได้ยากเพราะเพราะว่าเรื่องมันเรื่องมันไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเลยจำเป็นจะต้องมองในการตัดตอนคล้ายๆกับพระบิณฑบาตเนี่ยคือเราก็ไปรับผิด ช, ชอบในเรื่องของที่เขาตักบาตรไม่ได้หรอก เขาได้มาในทางทางที่ชอบทำหรือไม่ชอบทำพอมาตัดตอนเฉพาะว่าผู้บริจาค ก, กับผู้รับก็ตรงนั้นก็พอแล้วหรือ ถ, ถ้าเราไปรับรู้ไกลขึ้นไปกว่านั้นหรือไปตั้งข้อรังเกียจสงสัยขึ้นมาเนี่ยท่านตรัปรูบัตินหะรือตั้งเกียจสงสัยแล้วก็ใช้สออ่ใช้บริโภคใช้สอสิ่งเหล่า น, นั้นไม่ได้มันพระบางข้างบางข่าวก็ต้องทําใจใสุขหรือตัดตอนมาตรงนั้นไม่รับรู้ไกลขึ้นไปกว่านั้น เพราะว่าเวลานี้ถ้าเราไปคล่องใจสงสัยมันมีเรื่องเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผา้ผีต่างๆเจ็ดผลไม้อาหารเครื่องใช้ไม้สร้อยบางอย่างที่เขาซื้อมาจากต่างประเทศหรือว่าหนีภาษีเข้ามาในบ้านในเมืองเราเนี่ยเราก็ไปรับรู้ไกลขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้ก็ เ, เป็นเรื่องหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่เมื่อในการสแสวงหาการได้มาการครอบครองของเราไม่มีปัญหาในยืน่นงมของกฎหมายก็คือไม่มีปัญหาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาทรงแสดงวิถีชีวิตของบุคคลตรงนี้ทึงเรียกว่าการมาโพคีนะฮะหมายความว่าคนที่บริโภคกรรมหรือชาวบ้านเนี่ยจนะบ้านทั่วๆไปแล้วก็มีความประนีตลดหลั่นกันขึ้นไปโดยลำดับ ส่วนมากชีวิตของคนเราในเรื่องการเลี้ยงชีพเนี่ยหาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยา ก, ก น, นะฮะเพราะมีความลเมํเนียดลาหน่แล้วก็มีเรื่องมีรายละเอียดอีกเกยอะแต่นั้นพระเจ้าก็ทรงจากแม่เรียงเอาไว้ว่าคือผู้บริโภคการผู้ครองเรือนหรือคือหัดครือก็คือผู้ครองเรือนเนะ่ยก็ทรงเรีงมาโดยลําดับกรุงแรกเนี่ยฮ เป็นกลุ่มที่แสวงหาในทางที่ไม่ชอบธรรมหมายความมาลำบัดลำบับการได้มาซึ่งปัจจัยสี่มีความไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมก็ถือว่ามันผิดตั้งแต่ต้นตั้งแต่เจตนารมณ์แล้วก็การแสวงหาทงแสดงว่าพวกหนึ่งแสวงหาพว ก, กรทรัพั์โดยไม่ชอบธรรม วิธีการก็ไม่ได้คำหนึ่งถึงวิธีการแต่มองไปถึงสิ่งที่ตนจะได้ก็ระักมีการต้นมีการฆ่ามีการขู่กันโชคมีการคารอร์รัปชันชดฉนโดวยวิธีการต่างๆการหัวอะไรอะไรต่าง ๆ, ๆ, ๆเนี่ยแต่เช็่ว่าพวกนี้จะไม่คำหนึงวิธีการแต่ใครไปขัดขวาง ใครไปรู้เห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรตนตงก็จะมองเป็นปฏิปักิอาจจะถึงกับค่าปิดปากอย่างพฤติกรรมที่ปรากฏให้ได้ยินได้ฟังเป็นข่าวอยู่ในสังคมอยู่สม่ำเสมอเนี่ยก็แสดงว่าประเภทนี้มีไม่เบาก็ะทรวงขยายวิธีการของเขาก็คือโดยทารุนกดขี่นะการได้มาในทางที่ไม่บริสุทธิ์ อาจจะกันโชคทรัพย์อาจจะคู่อาจจะยกยอก่ออาจจะปลอมแปลงก็ไม่รู้คือสรุปว่าไม่คำหนึ่งต้องวิทีการในการได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมกอักจะคือนิ้มไปที่การผิดศีลธรรมนะทีนี้ได้มาแล้วก็กลายเป็นคนสนี่คือไม่เลี้ยงตนเองให้อิ่มหนำสัมมาลทํทำให้แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ทมกบี เป็นลนักษณะของผูกอู่สมข้าศัพท์โกเรเซษชีชิดเหนียวทั้งหลายนะฮะในช่วงของการสแสวงหาทรัพย์ก็ไม่ได้คำานึงทั้งวิธีการในการได้ได้มาแล้วมันก็เก็บเอาไว้แบบสมุทรบาลีนี่ท่านอิจมาหนึ่นงว่าเหมือนผีเสื้อยักษที่เหมือนสาสตบกนีที่ผีเสื้อยักก็หวงแหน หรือว่าความวิปสุยากเหล่านั้นก็ไม่ได้กินน้นําในฉะบกคคลี้หรอกแต่ว่าก็ไม่ต้องการในคนเดียวที่กินด้วยทรัพย์สมบัติในลักษณะนี้ก็ผิดทุกขั้นตอนมันมีลักษณะของตัญหาซึ่งขาดการควบคุมแล้วก็เป็นอุปาทานที่ขาดปัญญาคือยึดติดไปขาดปัญญาและผลท้ายทัพย์สมบัติเหล่านั้นเราก็ต้องทิ้งไว้ในโลกในขณะที่เราก็ต้องตายจากโลกนี้ไป คนประเภทนี้มีไม่น้อยนะครับมีไม่น้อยที่ทุจริตช่อชนด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติมาพอมาถึงแล้วก็ขวงก็สนีไม่บริโภคใช้สอยเองไม่เลี้ยงดูครอบครัวไม่แจกแบ่งให้แก่คนอื่นแล้วก็ไม่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำความดีก็เรียกว่า มีปัญหาทั้งกระบวนการเลยอีกพวกหนึ่งเหมือนเห ม, มือนกันนะฮะเสะดสวยหาทรัพย์โดยทารุนกดขี่โดยไม่ชอบทมแล้วก็วิธีการทารุนกดขี่คือในช่วงของการเสวยหามีปัญหาไม่คำลึง้วงความตกถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จรินธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มาแล้วเนี่ยก็มาเลี้ยงดูตนเองให้อิ่มหนำเป็นสุข แต่ไม่แน่นะฮะบางทีก็ไม่ดูแลและดูครอบครัวพราะอาจจะมีเงินดื่มเหล้ามีเงินไปเที่ยวมีเงินสุบุรีแต่ว่าลูกไม่มีค่าขนมไปโรงเรียนไม่มีตาหรักตำนาที่จะเรียนหนังสือเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเราไ ป, ร, ปรุกคีกับเด็กมากๆเนี่ยคือจะรู้เรื่องรายละเอียดเยอะแต่มันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะ ผลสุดท้ายมันนอกวิสัยคือเป็นปัญหานอกวิสัยเพียงแต่ว่าวสอใ น, นเด็กว่ากันเรทนเอาโอกาสที่เราเจะไปพบกับพ่อกับแม่เ้านี่เราก็ไม่มีโอกาสคือสื่อสารกันไม่ได้ปัญหาบางอย่างเนี่ยลองสังเกตว่ารุ่งที่มีปัญหานั้นเราไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยจนเรียกจากกิจกรรมขึ้นมาภายในวัดเขาก็ไม่เข้าวัด จะกิจกรรมออกไปข้างนอกเชิญเข้ามาเขาก็ไม่มาพูดออกวิทยุเขาก็ไม่ฟังกินหนังสือแจกเขาก็ไม่อ่านออกโทรทัศน์เขาก็ไม่ดูได้จะทํำไงนั่นคือปัญหาที่เราถ้ามองภาคสนามแล้วในที่จริงสังคมเราก็อื้วอ่อนกันมากแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามสมควรแก่ฐานะที่เราจะทําได้แต่ว่า คนเราถ้าตาบอดแต่ใจไม่บอดเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่คนประเภทนี้เราจะเห็นว่าใจบอดคือจะไม่ยอมรับจะปฏิเสธสิ่งดีงามทั้งหลายที่มันมีการนำเสนอเวลาที้มีการบรรยายอบรมพกข้าราชการเนี่ยก็ะจะตั้งหัวข้อมาในรูปของการบริหารตนบริหารคนบริหารงานหรือว่าครองตนของคนของงานของเรือนของสุง นะฮะก็จะใช้ในลักษณะนี้ยเพราะอะไรเพราะตัวนี้มันค่อนข้างเป็นปัญหาหมดทุกๆข้อเนี่ยครองตนก็มีปัญหามีปัญหาครองคนก็มีปัญหาครองงานก็มีปัญหารครองเรือนก็มีปัญหาความสุขซึ่งเป็นเป้าประสงค์ที่ต้องการร่วมกันนะมันเกิดเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเหตุได้เกิดความสุขเราไม่สามารถทวนกระแสกิเลสได้ในขณะเดียวกันเราก็เลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลส แล้วแต่กิเลสจะพัดหมุนไปมันก็กลายเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะคาแผ่นดินคือยากต่อการแก้ไขแต่ว่าปล่อยปละละเลยคงไม่ได้นะฮะก็ว่ากันไปเรื่อยๆทวกนี้มันก็ดีอย่างเดียวนะฮะคือดีอย่างเดียวที่ว่าได้มาแล้วก็เอามาบริโภคใช้สอยแต่ไม่ดีที่ในฐานะที่เราเป็นสัตว์สังคมคือคนเราไม่ได้เป็นโสดคนเดียว แม้จะไม่มีครอบครัวมันก็มีพ่อแม่มีพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีวงศาคณะญาติควรจะสมคบแจกแบ่งช่วยเหลือกืรูกูดกันอยู่ว่าสมมตกว่าเมื่อได้มาไม่ดีแล้วก็สนคดปลายตร ง, ตรตรงก็นำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปบำเพ็ญกุศลต่างๆบาเป็นกุศลสาธารณะต่างๆก็ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเขาวัดพังทำจำศีล น, นะฮะ แต่หมายความว่าทำยังไงวะทรัพย์ซึ่งได้มาในทางที่ไม่ชอบทำก็ตามแต่ถ้าเราใช้ประโยชน์สร้างสรรพัฒนาเนี่ยมันก็ลดปัญหาลงไปมันก็เหมือนกับการให้ทานนะฮะนั้นเราสังเกตว่าการให้ทานนั้นองค์ประกอบร่วมใหญ่ที่สุดคือผู้รับนั้นเป็นผู้อยู่ในสีในกรลยาในธรรมแล้วก็สิ่งที่เรานำมาให้นั้นเป็นสิ่งที่ไดมาในทางที่ชอบทำ แล้วก็เจตนาในการให้ทั้งก่อนให้ขณะให้หลังจากให้ไปแล้วเป็นเจตนาที่เสียสละมีความเคารพนับถือศรัทธาเมตตานะการุณาพักดีก็แล้วแต่นะคือความรู้สึกดีต่อคนที่เราจะให้แล้วก็ไม่สนิทไม่เสียดายในสิ่งที่เราจะให้แล้วก็ท่านผู้นั้นก็ออกจากในรสสมาบัติที่เรียกว่าพุณนาติเรกะสมามะการ น, นั่นคือสุดยอดของทานนะ น, นะทีนี้บางทีมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ่ะ ก็หมายความว่าผู้รับอาจจะอยู่ในศีลในการลยาณธรรมหรือไม่มีศีลไม่มีการละยาณธรรมเราเองก็ไม่อยู่ในศีลในการละยาณธรรมของที่ได้มาเนี่ยมันก็ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมแต่เจตนามันเกิดเป็นกุศลขึ้นมาเห็นั้นก็ดีอย่างหนึ่งที่เจตนามนเป็นกุศลขึ้นแล้วก็แจกแบ่งสงเคราะหน์นพราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยคนก็รับการสงเคราะห์ได้รับการดูดแลรับการเอื้ อ, ฟอเฟื้อเอื้อใจแม้เขาะจะไม่มีศีลมีทําอะไรก็ตามยังไม่ได้ไม่ได้คิดในแง่ของผลบุญอนินนสงสจากการให้ทานมากมากแต่ว่าคิดในแง่วงการสงเคราะห์มันก็จะใช้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทําความดีได้ระดับหนึ่ง แต้อตกลงว่าในช่วงการแสวงหาไม่ชอบทรรมวิธีการไม่ชอบทรรมแต่ได้มาแล้วเนี่ยตนเองรับประโยชน์จากธรรมะแต่การบริโภคใช้สอยนี่แสดงถึงใจคับแคบเพราะไม่มีการแจกแบ่งแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์เหล่านั้นทำความดีเป็นเครื่องมือในการทำความดีก็ตกลงว่าดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวที่ว่าไม่ทาตนเป็นปู่โสมคทรัพย์จุ อีกพวกหนึ่งนั้นสแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบทำเหมือนกันเพราะ ว, วิธีการเนี่ยไม่คำนึงถึงวิธีการได้ทารุนกดขี่ข่มเหงริดนาทาเล่นเบียดเบียนเพื่อได้มาเป็นเรื่องเหล่านี้ที่จริงเรื่องทรัพย์สินเงินทองในการได้มาถ้าหากว่าคนคิดสักหน่อยนะ ค, คิดสักหน่อยแล้วก็มามองดูชีวิตเราในปัจจุบันเนี่ยว่าอีกไม่กี่วันเราก็ตายแล้วจะเอาอะไรกันนักหนา มาก็พูดอยู่เสมอว่าตีต่างว่าเราจะมีอายุถึงแปดสิบสมมติว่าถึงแปดสิบมันก็เร่าเหยะแล้วนะก็อีกสิบสองปีเราก็แปดสิบมันจะเอาหะไรไปทักหนาเสรดแล้วเราก็ตายอ่ะคือถ้าถ้าความคิดอย่างนี้อย่างน้อยก็บันเทาวิธีการวิธีการในการแสวงหาเมื่อเมื่อแก้ปัญหาที่วิธีการในการแสวงหาการได้มามันก็ชอบทำนะฮะประตูการใหญ่มันอยู่ที่วิธีการ ในการแสวงหามอได้มาชอบทำแล้วทั้งโง่มากบางก็หวงเหมือนกันนะคือบางทีนี่มันมีมันมีปัญหาในช่วงกลางบางทีมีปัญหาในช่วงปลายอ่นานร้านแนวประเภทที่สามนี่เราจะเห็นว่าได้มาแล้วก็เลี้ยงตนเองให้อิ่มน้ำเป็นสุขด้วยแล้วก็ แจกจ่ายแบ่งปันสมเคราะห์นุเคราะห์ครอบครัวบุตรพันยาสามีแล้วก็ใช้กรรมใช้ทํากรรมดีด้วยเพราะมันก็มีปัญหาในช่วงเดียวคือช่วงที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำแต่ได้มาแล้วก็ทรัพย์นั้นก็เป็นผู้รับใช้ต่อสนองความต้องการของตนในขณะเดียวกันก็คนที่เกี่ยวข้องแล้วการสงเคราะห์นุเคราะหา์แล้วก็ ส่วนหนึ่งตนก็ใช้เป็นเครื่องมือในการทำความดีอาจจะบำเพ็ญกุศลสาธารณะอะไรต่ไรเนี่ยคล้ายๆกับยันนึกถึงวัดใหม่ยายแฟงนะฮะว่าท่านกาวผลนี่ความเป็นมาก็บอกว่ายายแฟงเนี่ยประกอบอาชีพในทางเป็นช่องโสเพณีนะแล้วก็มีฐานะบางครั้งำรำบวยขึ้นในการต่อมาก็กลัวบาปเลยก็สร้างวัดก็ไปกราบเยี่ยถามสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาย์โตว่า ท่านสร้างวัดด้วยทรัพย์อย่างเงี้ยมันจะได้บุญมากไหมสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านบอกว่าได้บุญสลึงเฟืองทีนี้ถ้าเรามองตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าวิธีการในการแสวงหาการได้มาเนี่ยมันไม่ชอบทำแล้วก็ตารุนกดขี่ริดนาทาเร้นชีวิตของลูกผู้หญิงด้วยกันมาแต่ได้มาแล้วตัวเองก็เลี้ยดูตนเองให้มีความสุขนะ แล้วก็แจกจ่ายแบ่งปันจนถึงก็ใช้ทรัพย์ทกรรมดีนะสูตรงนี้มันก็ตรงับเรื่องชีวิตแสวงเลยมีจุดผิดพลาดในช่วงขอการแสวงหาแต่อย่าลืมตรงนี้เปยียงเป็นมิจฉาชีพนะฮะงเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าสิ่งที่ได้มานั้นได้มาในทางที่ไม่ชอบทำแล้วก็ไม่ถูกต้องแม้แต่ระดับศีลเราไม่ต้องพูดถึงระดับของธรรมะหรอกระดับศีลเองก็ไม่ถูกต้อง เพราการได้มาในทางที่ไม่ชอบทำทุกชนิดแต่เวลานี้พูดยากนะฮะเยพวดกับคนคนหนึ่งที่เขามีอกิจกรรมที่เกี่ยวกับอะไรหมอหนวดอะไรเนี่ยอาบอบนวดอาบอบนวดก็พยาญาบอกว่ามันนึดดูถ้าเป็นลูกหลานของเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงนะมันน่าจะเปลี่ยนแปลงอาชีพตัวเองเราก็เกิดมาในโลกไม่กี่วันเราจะตายแล้ว ทำไมจะส่งต้องสร้างบากสร้างกรรมนะแต่ว่าฟังความเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องหยุดพูดนะเพราะว่าไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ก็ต้องปล่อยเข้าไปตามกรรมเขาต้องฟังกันไรใต้โลกวัฏฏิยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงอิเดชันผู้ฟังต่างหลายดูทั่วกันสวัสดี